พระโยมต้องช่วยกันรักษาวินัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ชาวบ้านไม่เข้าใจแล้วพระท่านก็ไม่ค่อยเทศให้โยมฟังเช่นอย่างเอาพวกประเภทอาหารไปถวายพระในเวลาวิการถ้าพระรับแล้ววันหลังก็จะฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นพระที่เคร่งในวินัยท่านจะบอกให้วางเอาไว้เฉย หลวงพ่อไปเทศพวกเด็กน้อยที่มันไปยัวเย่อโเ ย, ย, ยอยู่ที่วัดวะผูกแก้วตอนอาจารย์บางท่านอยู่ในที่นี้ไม่ได้เอ่ยนามไว้นะครับโอ้ยเด็กน้อยพวกเนี้ยมึงอย่ามาทะลึ่งกับพระกับเจ้านะท่านไม่ใช่พระอิดพระปูนเด้อมันแตกหนีหมดนี่แหละเพราะเราไม่ได้อบรมสั่งสอนกันให้รู้จักระเบียบวินัยของพระเราจรึงปฏิบัติไม่ถูก อย่างสมมติว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชายทั้งหลายเหล่านี้ไม่มานั่งอยู่ด้วยพวกเราเนี่ยมานั่งอยู่สี่ห้าคนนี่มาเหตุผู้อ่านในที่นี้คงหมายถึงผู้หญิงสี่ห้าคนนี้นะครับถ้าหลวงพ่ออยู่คนเดียวไม่มีพระอยู่ด้วยหลวงพ่อไล่ตะเพิดแล้วพระภิกษุนั่งในที่รับหูรับตาสองต่อสองกับผู้หญิงเป็นอาบัติพระภิกษุนั่งอยู่กับผู้หญิงแม้จะมากคนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วย ถ้าแสดงธรรมเกินหกคำเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะวินัยว่าพระภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินหกคำต้องอาบัติปาจิตตีผู้หญิงหลายคนแต่มีพระองค์เดียวไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ใดเราเข้าไปหาแล้วถ้าเราสาวๆเข้าไปแล้วไปคนหนึ่งคนเดียวชอบอกชอบใจแล้วอย่าเข้าไปหา ม้แต่เรื่องประเคณของอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครสอนชาวบ้านหลวงพ่อก็เพิ่งกล้าสอนเขาต่อเมื่อแก่มาแล้วนี่มันไม่แคร์ใครแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาแต่สิ่งที่มันถูกต้องหยิบยื่นให้ญาติโยมเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องรู้ระเบียบวินัยอันนี้เป็นพวกประเภทอาหารซึ่งมีผู้มาถวายสังฆทานตอนบ่ายมีนมนมถั่วเหลืองใส่มาด้วยแต่พระส่วนใหญ่เขาฉันตอนเย็นได้แต่พระวัดหลวงพ่อเนี่ย นมโอวันตินยาคูนมเปรี้ยวนมหวานอะไรต่างๆฉันไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่สิ่งของที่เป็นประเภทอาหารถ้าเอามาประเคนพระทั้งหมดวันนี้มีเป็นรสๆพอวันหลังมาประโยชน์ทิ้งหมดพระภิกษุรับประเคนอาหารค้างคืนไว้ตื่นเช้าเอามาฉันต้องอาบัติปาจิตตีผิดวินัยของพระ รภิกษุรับเงินทองหรือวัตถุที่ใช้แทนเงินทองด้วยมือของตนเองต้องอาบัตินิสักคยะปาจิตตีเอาไปซื้ออาหารฉันต้องอาบัตินิสัคยปาจิตตีทุกคำกลืนเอาไปซื้อจีวรใส่เป็นอาบัตินิสักคียะปาจิตตีทุกครั้งที่เปลื้องออกจากกายแล้วเอามาห่มอีกจนกว่าจีวรผืนนั้นจะขาด มีคนเขาจะนิมนต์ไปนอนในบ้านในช่องพระมีวัดนะไม่ใช่พระมันนอนในบ้านในช่องพระองค์ใดมาขอนอนในบ้านในช่องอาตะพดเพ่นกระ บ, บานไล่หนีเลยอย่าให้มันนอนพระภิกษุนอนในที่มุงที่บังกับผู้หญิงแม้แค่เพียงเอ็นกายลงไปเท่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีพระภิกษุนอนในที่มุงที่บังกับขรือหัดชายเกินสามคืน ต้องอาบัาติปาจิตตีอันนี้เป็นวินัยที่ข้ารืหัสจะพึงปฏิบัติต่อพระพระปฏิบัติต่อข้ารืหัสหมายเหตุขารืหัสก็คือญาติโยมทั่วไปนะครับที่ยังเป็นคารวาดอยู่นะฮะ